อะไรก็เรียกว่ายาอะไรเนะี่ยไอ้ลูกประคำดีควายอ่ะมันเปลอกไปลอกลูกประคำสับหนึ่งก็ดีควายสับหนึ่งใช่ไหมที่แรกมันก็ติด ก, กันมาไอ้ลูกประคำดีควายไอ้คนหลังๆก็ไม่รู้ไม่โย้ไอ้ประคำดีควายเป็นไงไม่รู้มันจะเรียกว่าลูกประคำก็หรือลูกประคำไอ้ดีควายกค็ๆๆคือดีควายมันก็เลยไปเอาลูกประคำมาเม็ดหนึ่งแล้วไปเอาดีควายมามาผสมกันแล้วกินต่อลอกสามทีกินตายวะ่ะเอออทำมาจริงนะ เนี่ยไหกรดีควายมาลากขี้อะไรเนี่ยงากขี้าแดงเอาไปลาาแดงมากขี้กาแดงมาากขี้คนึ่งกาแดงอีคำหนึงโอยากขี้เป็นไงคิดหนักอะไรเนี่ยไอกาแดงนีไอลากขี้กาแดงเป็นต้นม้อยู่ว่าเอกาแดงแดง้กาแดงหายากอีนีอาากขี้กาแดงนี่ลอกมทีกินตายโบราณเขพูดกันมาตลอดใช่ นี่เป็นอย่างเงี้ยก็มีงไงตึงบอกว่าเวลาคนมาจดหลังๆเนี่ยมันไม่รู้อัพยัญชนะไม่เรียนพอไม่เรียนก็จดไปใหญ่เลยใช่ไหมนะเข้านะเข้าเพราะไม่รู้ไวยากรณนะ์อ่ะไม่รู้ไวยากรณ์ไม่รู้อภิธานนะไม่รู้ธาตุไม่รู้วิพัฒน์ปัจจัยต่างๆเยโอ้โหประโยคพอเราเรื่องเลยเนี่ยไปไปมาอ่านไม่เรื่องนละเขาจำดีวกว่า เขาก็เลยแช่าการจำเพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อนะสังขยาคราั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ยเขาไม่เชื่อวิธีการจําเลยทั้งๆ ท, ท, ที่มีจดหมายเสียงส่งถึงกันได้แล้วแต่เพราะเขาไม่เชื่อใช่ไห ม, มเขาไม่เชื่อาการจําเออ <c oughs> เขาไม่เชื่อาการจาน <c oughs> การจารึกเพราะเขาว่ไอาจารย์หรือจารึกเนี <c oughs> ่ย <c oughs> สู้จําไม่ได้ถ้ <c oughs> าจรงว่า ก, กินเองรอบสาทีกินใจอ่ะนะตรงนี้ก็เลยไปซะยาวเลยตรงนี้นะที่ที่ก็เลยเลย เลยเลยต้องการที่จะชี่ยวเห็นว่าบโอ้ยังเงี้พระท่านก็มาเล่าพระท่านก็บอกว่าเออท่านฉันมือเดียวนะฉันเสร็จก็ปิดห้องท้องฉันเสร็จก็ปิดห้องท่องทำอย่างเงี้ยไม่พบผู้คนหรอกนั่นออกมาก็ไม่เห็นตอนฉันนะฉันไปรเสร็จก็เข้าห้องเข้าห้องปิดประตูท่องเช้ายันยันอยู่งั้นเลยนะออกมาวันนี้ออกมาวันไม่เจอผู้คนเลยสิบปีจบหมเลยท่านท่องวละห้าหน้า ท่องบาลีเนี่ยวันละห้าหน้าแล้วก็ท่องไปห้าหน้ากระทวนอีกนท่านบอกไอาที่ลําบากคือทวนนแต่จําได้หมดเพราะจําได้หมดสิปีเนี่ยแปลว่าท่านพูดภาษา ไ, ไอภาษาธรรมดาไม่ท่านไม่ได้เลยมันเป็นภาษาพระใจพิดกหมดเลยเดี๋ยนี้ออกเป็นภาษาธรรมะหมดเลยคือพูดออกมาก็ออกเป็นธรรมะอัธยาศัยเลยไปอย่างนี้หมดเลยมาพูดภาษาเขาคิดดูสิปีนะ ไม่ได้ไม่ได้พูดภาษาธรรมดาเลยพูดไม่ได้เลยได้พอพูดกูกูกะกักเลยว่างั้นนี่ยออกเป็นภาษาบาลีมนี่อัส ย, ยาสายไปอย่างนั้นหมดเลยนี่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อายุปรมาณสี่สิบกนะวา่าปีที่คนณมาไปเนี่ยที่เราไปเนี่ยคุณสูงอายุเท่านั้นที่อยู่ก็ที่คนละกันหนะปีสิบปีอารมก็ไม่ไเรียนเสริมไม่ได้จดเนะขาฟังทุกวันเรียนแพิจารทุกวันเลยไปไปคุยด้วยท่านทิศรุ่งเด็กไม่ได้ต้องขึ้นใจหนมะ นะตรงนี้ก็คือคือบอกว่าในกรณีการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะยังสูตรที่ว่าธรรมะพิยกมาบ่อยๆนะก็คือว่าหนึ่งการจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องหรือจะเจริญวิปนนัสสนาหรือจะเจริญปัฏิปฏิบัติเนี่ยต้องศึกษาพระธรรมแล้วมองตลอดสายให้ได้ถ้ามองตลอดสายไม่ได้ยึ่งเราศึกษาตรนในสูตรแรกพระมัชาลสูตรเห็นไหยจะมีคําว่าอัฏฐชาระธรรมชาระทิฏฐิชาระ แล้วก็อนันตละสังข์คำวิชัยก็แปลว่าอะไรคายคืออัถะคายคือธรรมะคายคือทิฏฐิใช่ไหมธรรมะพระเจ้าเนี่ยประการสุดท้ายก็คือว่าเป็นตําลาพิชัยลงการย้มกันมากเนี้คําว่าตําราพิชัยสงครำเนี่ยแปลว่าอะไรไอการลบเนี่ยกิเลสเนี่ยก็เรียกอริคือฆ่าสึกเราจะไปลบกับกิเลสใช่ไหมจะไปจัดการกิเลสไปเจริญสมถาวิปัสนาเพื่อจัก ข จ, จัดกิเลยแต่ว่าเราต้องวางแผนถูกสูตรที่เราจะใช้ในการที่เอามาให้กวนมาประพฤติปฏิบัติมาประพฤติบัติไหมมันจะต้องวางหลักได้ถูกเช่นว่าสติปัฏฐานเนี่ยกายานุปัสนาเวทนาจิตตาและธรรมายไหมตัณหาจริตกลุ่มหนึ่งทิฏฐิจริตกลุ่มหนึ่งสังคมในวจุบาณเนี่ยมันจะแยกออกสองจริตเท่านั้นแหละมันจะเป็นตัณหาหรือทิฏฐิถ้ากลุ่มตัณหาก็กลุ่มเพลิดเพลินนะถ้ากลุ่มทิฏฐิก็พวกทิชชอบเทียมนั้น พ่อใช้ความเห็นเข้าห้ามหันกันนี่นะบรรดาเจ้าลัชชีทั้งหลายเนะะี่ยลัชชิการเมืองทั้งหลายในพวกที่ถี่จริต้ดยสุด ม, มันก็ยอมไปหรอกอันนี้คือกลุ่มที่ถี่จริตพวกนี้ต้องไปเจริญไอ้กลุ่มกลุ่มเว้ยนะไอ้กลุ่มไอ้กลุ่มจิตตานุปัาสนาก็ว่าถ้าหากว่าตัณหาจริตเนี่ยนะปัญญาหยัดหยามหน่อยก็กายานุปัาสนาถ้าตัณหาจริตประเภทละเอียดละเอียดหน่อยเนี่นะ ถ้าชอบอะไรก็ต้องปรินิจหน่อยเนี่ยนะอันนี้ต้องเวทนาที่การศึกษาถ้าทิฏฐิจริตประเภทที่ปัญญาหยาดหยามนะ่ะคุณศึกษาเรื่จิตเนะแล้วคุณจะได้รู้ความพิสดานของความคิดของคุณเน่ยนะอาตัวเพศที่โอ้โหมันละเอียดพิสดารหน่อยนุ่น น, นคุคุณศึกษคุณปฏิบัติในกลุ่มสายมึงทำมาก็วางหลักมันให้ถูกจะไม่ตาําราพิชัยสงครามเนะี่ยเรียนกันมาแล้วเนี่ยบางคนเนะี่ยสมัยนะที่เราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยศึกษาตําราการลบ แต่ไปลบละแพ้ใครจะวางยุทธศาสตร์ผิดเดียวสมัยว่างยุทธศาสตร์ผิดก็คือไปใช้เหมือนกับใช้หมวดในการที่จามาเจริญผิดาพาดนเะข้าใจนะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะเดินหรือจะศึกษาคำสอนของพุทธศาสนาแปลว่าจะต้องมองให้ตลอดสายยกตัวอย่างเช่นเอาทานนกุศลวันก่อนก็ยอมกาถาทท่านทานนกุศลเนี่ย เราเราเอามาเจริญยังไงถึงจะเป็นปัจจัยในการบรรลุได้ไหมก็ได้เอาได้ไหมทานเนี่ยมาเจริญแล้วบรรลุได้ไหมยอมไม่ได้ไหมยอมทําทานมาเยอะไหมเคยทํำไหมอ่ะเคยทํานิตยทานตลอดไหมทานนี่ทําทุกวันไหมทาเป็นนิดไหมทุกวันเลยใช่ไหมโอ้ทาทุกวันเป็นนิตยทานอาาถากราทำนิตยทานไงแกถวายอาหารเนี่ยกับพระเนี่ยวันละห้าร้อยสำรับ อาตอบสนิทก right right? ันวละห้ารอยสำรักทุกวันทำบุนจนจนเนี่ยแต่ก hmm. ็ไม่หยุดนี่นะแต่เราก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าทาทุกวันได้เป็นนิตยสานเนี่ยทั้งกูตาธาทันตาทันตาเออกูตาทันตาพรามก็ถามว่าเออบอกไอ้ที่ลงทุนน้อยกว่านี้มีไหมดาวพระเจ้าอันนี้ต้อเหนื่อยเกินแล้วกันบอกมีพระเจ้าก็บอกมีหมายถึงบูชายัญพระเจ้าก็มอวิหารละทานเนี่ย สร้างวิหารและทานสร้างกุติวิหารเนี่ยถวายเดี๋งที่มาจากตระตูและทิ็ป้องกันเหยียบเหลือยุง ล, ลมร้แดดเป็นต้นละ น, นี้นะสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายกันหนาวบางฝนฟ้าบงเป็นต้นอย่างี้และภิกษุที่ เ, เป็นปหูสูตรมาทรงทำ ท, ทรงวินนยเจริญสมถาวิปัตนานเนี่ยอุ้ยอ น, นิสงมากนี่นะก็ะบอกอุ้ยอ น, นิสงมากขนาดนั้นะแต่ยังลงทุนมากอยู่นี่นแหละเจ้าวิหาร เ, เอาจะันน้อยกว่านี้ได้หร อ, อจพระาจารบอก สถานะคมนี่ก็ไกลไปตามลำดับเนี่นะสถานะคมอดสีนีอย่างนี้ไปต้นงั้นทานนะครูสอนเนี่ยเอามาระลึกเอามาระลึกยังไง mm hmm. ทานนะครูสที่จะสามารถเอามาระลึกเป็นสติปัฏฐานได้นี่นะก็ต้องไปดูก่อนเนาะเออระลึกยังไงสมมติยอมยอมระลึกว่าเออในสมัยอดีตยอมไปสร้างศาลาการปรเรียนเนาะใช่ไหมใสร้างศาลาการเรียนสร้างโบสถ์วิหารนี่ยเคยสร้างขึนงววง้นมาทันะ้งนั้นเลยมั้งเนี่ย สร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์วิาาหารสร้างอะไรต่างๆที่ถวายแก่สงฆ์เนี่ยนะที่จะมาเลืกอกยังไงใช่ไหมใช่นานแล้วเนี่ยแต่การไปสร้างตรงนั้นในสมัยนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมเอางี้เจตนาทานชัดเจนไหมสมัยอดีตก่อน ท, นาทําขณะทําหลังทํำไม่ชัดอะโลภาธ ท, ทานะ่ะชัดเจนไหยตัดมัดชชลิยะตัดคิดไหมว่าโอ้โหเราให้ว่าตัดตัดกิเลสเป็นการสลากกิเลส มันฝังอยู่ในกระแสจิตเนะมีความคิดอย่างนั้นไมอดิตที่ยังไม่เคยศึกษาการทำไม่ได้คิดงี้น <m> เนาะเขาให้เขาให้เงี้นะแล้วก็ไปปรุงใหม่ปรุงวิถีคิดหมัอันนั้นใช้ไม่ได้ใช่ไหมทานนั้นเป็นไปด้วยตัณหามานาทิถีใช่ไหมเจรนาแล้วโลภะเนาะแล้ววัตถุทานเราชัดเจนไหมว่าเราเข้าใจวัตถุทานจริงไหมเช่นถวายไม้ใช่ไหมทรายอิฐหินดินปูนกระเบื้องเสา อะไรเงี้ยนะเราเข้าใจมันคือวัตถุทานวัตถุทานเนี่ยนะจะเป็นอิฐชิ้นดินปูนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เสาก็แล้วแต่แม้แต่ปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนาะสรุปแล้วงันคืออะไรมหาพูดไหมใช่ดินน้ําไบลมไหมมีลมชับแล้วนั้นถ้าเราศึกษาจริงเราเข้าใจมีมหาพูดโอ้จริงๆที่วัตถุทานก็คือสระสละอะไรเนี่ยสละสละอะไรดีสละมหาพูดเรายิ่งกอดแน่นมหาพูดเท่าไหร่เนี่ย คนสละมหาพูดได้เท่าไหร่บารมีก็มากแล้วนะถ้าสละมหาพูดภายนอกได้เนี่ยก็เรียกปัจจัยเป็นสาวกพุท ธ, ธถ้าหากสละมหาพูดภายในนะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนี่อันนี้เป็นปัจจัยอย่างปะเกงพุทาเนื้อถ้าสละมหาพูดขายถึงสละชีวิตคือมหาพูดเลยนะไม่อะไรอาวันในชีวิตเลยเนี่ยสมมาหัวพุทธอะเนี้ยบ่ สรุล้วคืมหาพูเห็นไหมเนะี่ยนี่เข้าใจแล้วคือพิจริงก็คือสละดินน้ําไบลมนั่นแหะทีนี้กระแสะขันให้ย้อนเข้ามานะกระแสะขันหมายถึงเจตนาเป็นต้นหรืออโลภาเป็นต้นที่เป็นประธานในขณะที่ให้อนามขันเห็นไหมอันนี้กลุ่มนาขันทั้งหมดเลยเวทนาสัญญาสังขารนียานนะแล้วกระแสะของอมหาภูทะโลกอุปาทะโลกคือกลุ่มของนามขันโลประขันที่สมมุติว่าชื่ อ, อนั้นนะใช่ไหมสมมติเราอ๋อแท้จริง กลุ่มคันห้าณสมัย น, นั้นณการนั้นได้น้อมไปสละมหาพูดแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นรูปน้ําทําบุญไหมเออไม่เห็นแล้วนะแต่เนี่ยนะเออกลุ่มของรูปนาเนี่ยที่กําลังทําบุญสละมหาพูดเนี่ยนะมีเจตานาทานมีอโลพา ท, ทานมีวัตถุทานชัดเลยนะแต่เนี่ยนะเอามาระลึกแล้วใครควรระลึกอ้ระลึกอย่างเงี้ยมันสูงกว่าจาคานุสติซะแล้วเนี่ย มันแยกเห็นนามรูปกำลังทำบุญแล้วเอามาใครควรเป็นอย่างนี้เป็นไรเนี่ยเป็นการปฏิบัติไหมเนี่ยเป็นสติปัฏฐานนีอยังเห็นไหมเนี่ ย, น, ย, น, ยนี่เขาแยกอย่างนี้ไงเออแล้วรูปน้าเหล่า น, น, นั้นเกิดจากเหตุปัจจัยไหมเนี่ยเขามีเหตุมีปจัจจัยใช่ไหมเอาวิชาตัณหากรมเป็นต้นลองไปแยกแย่พิจารณาดูดิฉะนั้นถ้าระลึกได้ในลักษณะอย่างนี้นะหรืออีกในหนึ่งนะไม่ระลึกแบบเป็นรูปน้ำ แต่เข้าใจว่าเป็นกลุ่มของของขันห้านั่นแหละแต่เราลึกถึงในรักนาวเจตนาเราลึกถึงอโลพละลึกถึงทานาภุศันเอามาหมุนมบ่อยๆอย่างที่บอกไงอันนี้คือกลุ่มปัญญายังไม่ไปชัดเนาะเอามาหมุนเอามันลึกบ่อยๆยอะแล้วลึกแลลึกแล้วลึกไปแล้วเป็นยังไงใ น, นเนี้ยปลาโมดเกิดไหมปราโมดปีติปสัสสติความสุสมาธิมันเกิดพอไอตัวปีติสมาธิมันเกิดตรงนี้เบ็ดเสร็จกลับเอาสภาวะกลุ่มของ ปีติเป็นต้นเหล่านั้นมาพิจารณานี่ได้มัอนกันนหะก็พิจารณาเห็นว่าปีติเกิดจากปัจจัยปีตินั้นไม่เที่ยงเป็นต้นปัจจัยไม่เที่ยงสำหรับปีตินั้นเป็นนามประธานอาศัยกัลราณ์ชัยนี่เป็นต้นใช่ไหมมันจะมองในอีกกลุ่มหนึ่งนี่ไงเป็นสติปัฏฐานมองเห็นหรือยังแล้วก็จะเดินไปสายเนี่ยเป็นปจัจจัยการมรรลุได้ไหมได้ไม่ได้นี่ไงเขาเรียกว่ามองแต่ต้นแล้วมันทะลุมันป ร, ริทิพานได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามอง มองการเดินของการเจริญกุศลไปได้ตลอดสายคุณจะมาจากทานกุศลคุณก็วิ่งไปหาพระนิพพานได้นะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก็บพระนิพพานได้จะมาจากศีนลนักุศลก็เป็นปัจจัยแก็บนั้นได้มาจากพุทธานสุสติธรรมานสุสติสังฆาสีราจาคานี่นะไล่ไปทแล้วก็มาไข้ควร น, นี่นี่นี่มันก็เดินเป็นแต่เนี่ยนะต่อไปนี่ปัญญามันก็ได้ได้วิธีคิดแล้วได้วิธีคิดในการที่จะไข้ควรในการจะพระพฤติบัง ทีนี้ถ้าหากว่าเราทำท ga ิ้งทำทิ้งทำทิ้งจบเลยก็ได้ก็ได้แบบทิ้งๆิ้งกลองก้องไม่จะไม่ได้ไม่ได้ใช่ททิ้งตลอดชีวิตเลยตามวกงเนาคิดหน้าจะได้พราะพระพุทธเจ้าสอนจาคานุสติไว้ให้จำและพิถีงิานในกุศลที่ตนเองทามาบ่อยๆเสมอเสมอแต่เรากลับไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่รู้ไปเชื่อใครก็ไม่รู้ มีพยามามคอยสิงใครไม่รู้มาบอกเราพี่ปิดไว้อย่างนี้ห้ามคิดนะห้ามคิดนะเราก็เลยโอไม่กล้าคิดกลัวเขาไม่ให้คิดด้วยตัณหาไม่ได้คิดไม่ให้คิดด้วยมานะไม่คิดด้วยทิฏฐิแต่เขาให้คิดด้วยสติสัมปชัญญะยิ่งคิดยิ่งดียิ่งคิดยิ่งดีกัวจะไม่ค่อยคิดกันคนไทยเสียตรงไม่คิด แล้วไม่ไอการไม่เป็นนักคิดมันไม่พัฒนาในทางโลกมันก็เสียใช่ไหมไอคนคนประสบความสำเร็จทางโลกนักคิดทั้งนั้นแหละที่นี้นะจะบอกจะจะเล่าให้ฟังเรื่องกันไอเรื่องการคิดแล้วเป็นบาปเม็ดที่จะเข้าเวทนาไม่รู้เข้าเรื่องอะไรเลยตอนนะี้ที่นี่นะไอเรื่องมีอยู่ครั้งนึ่ไงในมาก็าไปยะโยมก็ยีลา เนี่ยนี่ฉันมาสร้างเขาไว้นะ no. ่ไหมพอเจอป้าก็จะบอกนี่ฉันมาสร้างเขาไว้ไปเอ้ยไปถึงตัวนั้นเว้านี่แล้วนี่ฉันก็มาสร้างเขาไว้แล้วก็มานั่งคิดเออทำบุญหรือเปล่าทำบุญหรือเปล่าการคิดเนี่ยการคิดเนี่ยถึงบอกถ้าคิดด้วยตัณหาอย่างหนึ่งใช่ไหมต้องการจะบอกเขาให้เขารู้ว่านี่เราเป็นคนทําบุญนะมันมีเราหมดเลยเนาะเราเป็นคนทําบุญไม่รู้เราคือใครก็ไม่รู้เนี่ยนะ นี่นี น, นีแบบแบบแบบตัญหากลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งแบบมานะบอกใครสู้เราไม่ได้เราที่ทำไว้เยอะอันนี้มานะนะถือต น, นนะเนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่ถี่เลยทีเนี้ยบอกว่าเราทำบุญไว้และเราเนี้ยจะต้องไปรับที่สําคัญเลยนะเราเป็นผู้ทำและเราก็จะต้องเป็นผู้ไปรับจริงไหมอ่ะจริงไม่จริงเราทำแล้วเราไปรับจริงมใช่ คือคือไปคิดว่าสมมตินะเราเราคือคนนี้ทําก็เราเนี่แหละจะไปรับในภพหน้าฉะนั้นเราจรึงทําบุญการเห็นแบบนี้เห็นผิดหรือเห็นถูกเป็นอะไรอย่างนี้ครับที่แรียกว่าเป็นสัตตตาทิขีิจะเห็นว่าเที่ยงไงใช่ไหมเห็นว่ายอมสุพันณอหังเนี่ยทําบุญโยอมสุพันณอหังก็ต้องไปทุ่มไปรับสิใช่ไหมแท้ที่จริงกระแสขันมันสืบต่อใช่ไหม มันสืบต่อไอ้เม็ดมะม่วงที่ปลูกทิ่งลงไปในดินใหญ่ที่มันมันออกผลมามันเดียวลูกเดียวกันไหมลูกเดียวกันแล้วกันลูกแต่มันสืบเนื่องมาจากลูกนั้นต้องพูดอย่างงั้นไอ้นี้เขาไปเข้าใจว่าเขาเนี่ยแหละปลูกลูกไหนก็ได้กินลูกนั้นไอ้เข้าใจนี่มันผิดเข้าใจยังต้องออกมาเนาะถ้าไปเข้าใจอย่างนั้นไงเอาลูกไหนปลูกทิ่งลงไปในดินไอ้ที่โผลอมาใหม่ก็คือลูกนั้นแหะไปเข้าใจนี่มันผิดเข้าใจใช่ไหม คนบางคนไปทําบุญตมก็นเนี้ยก่อนเราดี่ต้องมีพู้ไปรับเสร็จเลยเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นสัตตตาที่ขี่เลยนะนี่ไงก็งมันเห็นกันอย่างไงคนไทยเห็นแบบนี้โดยส่วนมากแปดสิบเปอร์เซนจบเลยอย่างนี้ไม่รู้จะพูดกันยังไง<ต> ค, คือคือตรงนี้ไงเราไม่เข้าใจการสืบต่อกันต้องกระแสขันเอายมสุพรรณหงเมื่อสมัยห้าขวบกับปัจจุบันมีคนเดียวกันไหมคนละคนแล้วก็คนนั้นหน้าตาเหมือนนี้ที่ไหนลุง คนละคนเลยมันทุกวินาทีอ่ะเข้าใจไหมทุกวินาทีมันเปลี่ยนเป็นคนละคนแต่มันสืบเนื่องมามันเกิดดับสืบต่อกันมาอย่างนี้แล้วมันก็คนละภพด้วยใช่ไหมคนละภพด้วยแต่มันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแบบการสื่อต่อมีแบบกระแสขันการหมุนไปของวัฏฏะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่อย่าไปสําคัญว่าเรานั่นแหละผู้ทําเรานั่นแหละมันมีเราดีแล้วใช่ไหม ลองมาแยกแย่ออกมาที่ไอเราเนี่ยมันเรื่องเงินสมมุติสมมุติไปสมมุติมามันจริงเลยมันไปจริงโดยสมมุติไปจริงโดยยึดถือกันหมดแล้วเดี๋ยนี้ยมันลอกไม่ออกก็ให้ลอกอย่างกัดลอกกราบด้วยอะลองลอกดูดิลอกลอกลอกไปไมันมีอะไรไหมนะไอกา ม, มือมาแบมานี่ไม่มีเลยเรานึกว่าเออเรามันอยู่ตรงไหนว่าในคนควาดูเอาผมขนเล็บปันหนังเนื้อไรไปดูดิเอาเวทนาฐานทั้งที่เป็ น, านาอดีตอนาคตมาดู สัญญาสังขารนียามมาไล่ดูไม่มีอะไรนี่แต่ว่ากระแสขันตัวนี้มันเป็นรูปธรรมนามธรรมที่มันเกิดขึ้นจยางเหตุปจัจจัยมีเหตุนี้ปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยมัดับใช่ไหมเหตุปัจจัยมันมีอยู่มันก็สื่บตอ่อมันไปอยู่เงี้ยถ้าเราไปเข้าใจว่าผู้นี้ทํากรรมผู้นี้ได้รับยุงเลยใช่ไหมผู้ทํากรรมหามีไหมผู้รับผลรับผลกรรมผลบุญของผลบาปก็หามีไหม มีแต่สภาวะธรรมะล้วนๆเท่านั้นเป็นไปอยู่อย่างเงี้ยถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยมันใช่แต่ใครเราจะเข้าใจอย่างเงี้ยถ้าไม่ฟังพระธรรมเนาะถ้าไม่ฟังพระธรรมมันจะเข้าใจไหมว่ากระแสของน้ำมาทำรูปธรรมเนี่ยมันสืบต่อกันไปอย่างเงี้ตลอดเนยคือคือคําพูดอย่างนั้นมันถูกโดยที่เขาเข้าใจกันแล้วเพาะว่าเราทําเราก็ต้องเป็นผู้ได้รับผลของธรรมนี่อันนั้นคือพูดโดยเข้าใจกันไงโดยเข้าใจนะ แต่ไม่ใช่หมายแต่ไอเหมือนก็บอกว่าเหมือนก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอีกสี่ห้าวันเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมพอต่อมาแล้วก็ไปสรุปลวจริงๆเนี่ยมันโดยคนละคนเนี่ยไอคนที่เขาศึกษาวัทํารามดีนะเขารู้เขารู้กระแสะขันที่มันสืบต่อกันทุกขณะจิตเนี่ยนะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสภาพของเวทนาบาังสัญญาบาังสังขารบังวิญญาณบ้าง แต่เวลาภาษาคําพูดเนี่ยนะเขาก็ต้องพูดกันแบบนั้นแหละเหมือนว่าคนนั้นทําคนนั้นก็ต้องได้รับพระพุทธเจ้าก็ใช้แต่ใช้เนะี่ยมีแบบนี้นัยยะนะแบบมีนัยยะแบบเขาเข้าใจกันแล้วทีนี้เราไม่เข้าใจภาษาท่านเนาะพอมาฟังอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปยึดเลยพอไปยึดเราจบเลยแต่เนี้ยเราทําเราได้เนี่ยใครทําใครได้เนี่ยถือว่ายังไงมันก็มันก็เป็นการเห็นผิดไป ก็ อ, อย่างที่บอกไงถ้า Over ine, อุปมาอีกนิดหน่อยก็คือต้นมะม่วงมีข้าวทั้งหลายนะมันคนละเม็ดกันเยอะๆจะปลูกไปมันก็มีผ ล, ลออกมาก็คนละเม็ดเลยแต่ไปแจ้งความก็ไม่ได้ด้วยนะสมมจะไปรักมะ ม, ม่วงเขาเขามองกว่าคุณรักมะม่วงของเราเนี่ยเราปลูกเขาไว้เอ้าไอ้ เ, อเมล็คนณปลูกมันอิงนมล็ดนี่ไอ้เนี่ยแตเรารักไมนอยู่ เ, เมล็ดที่คุณปลูกไปเลยอะไรเงี้ยเสียงกระจายเลยได้ไหมก็ไปเถียงขึก็ลงค้นสารสู้เขาไม่ได้จริงๆ ต้องยอมแล้วว่าเขาปลูกไอ้เม็ดนั้นนะมันสืบมาจากเม็ดนั้นใช่คนมีคนไปปลูกก็ปกลูกในที่ที่สมมุติเป็นที่เขาตามสมมุติเนี่ยตามกฎหมายคุณผิดคุณต้องติดคุกไอ้ น, นี้มันจบตรงนั้นแหละแต่บอกเอ้ยเราศาึกษาเราทามาแล้วมันไม่ใช่ไอ้เม็ดไอ้เมเ็ดที่คน ป, ล, ปกกลูกคนละใช่ไหมก็เสมือนเราไปด่าคนนะนี่นะแต่คนนั้นเขาไปแจ้งความไม่ใช่คนที่ด่าตายไปแล้ว ไอคนที่ด่าก็ตายไปแล้วไอคนนี้คนใหม่จบเรื่องคนเก่าและคนที่ถูกด่ามันก็เรียบร้อยไปแล้วทำไมคนมาแค้นทุกวันนี้เล่าไปเลยแต่เนี่ยแต่ภาษาธรรมะมือนได้แต่ภาษาโล ก, กนิยมมันไม่ได้เดี๋ยอันนี้ก็ลองเขา้าใจแต่ยิงมันดับงั้นยิงนะสภาว่ามันดับไปงั้นจริงเอาต่อไปดูเวทนาต่อเดี๋ยวจะไปไปถึงไหนเลยเลยออกนอกทางอยู่ในทางมันอยู่ดีเลยเออดูดูสติหน่อยนะ ธรรมชาติที่ชื่อว่าสติเพราะเป็นเหตุระลึกนี้ต้องเข้าใจนะระลึกเองแล้วก็เพียงระลึกระลึกได้ตามระลึกได้นี่ก็เรียกลักษณะของสตินะลักษณะของสติสติเนี่ยเขาเลื่อลึกในไหนระลึกในสติปัฏฐานสมปัติฐานอิทธิบาทอินทรีย์พระโพชฌงคองค์มาร์คเป็นต้นอะไรเนี้ยลักษณะของสติเขาบอกระลึกจิตของเขาคือไม่หลงลืมแล้วก็รักขาอละขาลมนะ แล้วก็มุ่งหน้าหรือจําได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีสติปัฏฐานเป็นประธานฐานเป็นต้นเราเนี่ย น, นะทีนี้การเจริญสติในเวทนานุปัสนาเนี่ยเวทนานุปัสนาคือปัญญาที่พิจารณาเห็นหนึ่งเนืองซึ่งซึ่งเวทนาเนี่ยนะซึ่งเวทนาเนี่ย ต, ตรงนี้ที่ว่าศึกษากันว่าพิจรนารณาเห็นเวทนานในเวทน า, น า, นาเป็นต้นอยู่เนี่ยนะในอัตถกถาหน้าที่สาม พระภูมิมีพระภาคเจ้าขันตรัสเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีสิบสี่แบบดังที่ได้พัฒนามาแล้วในข้อที่สามร้อยสามสิบเก้าแบบนี้เพื่อจะตรัสเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานโดยการเก้าอย่างเนาะจึงตรัสคําเมียที่ว่ากระถันจะพิคเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาอย่างไรเล่าเนียพิจารณาเห็นเวทนาในอเวทนาอย่างไรเล่านี่เป็นคําถามคําถามลักษณะนี้เขาเรียกกระเทืตูก็ไม่แย่ตาบุญฉาถามเพื่อจะตอบเองนะคําถามแบบเนี้ย พระองค์ทรงมีพระประสงค์ถามถามเพื่อตอบเองแล้วก็ดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอย่างไรเล่าพิสูุในพระธรรมวิรินยนี้สวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่ารู้ชัดว่ า, ววาอะไรสเวสวยทุกขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมัสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกขมัสุขเวทนาอยู่เนี่ยนะบรรดาบทเหล่านั้นสุขขังเวทนางมีอธิบายว่า สวยสุขเวทนาที่เป็นไปทางกายหรือทางจิตก็รู้ชัดว่าเราสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาที่เป็นไปทางกายและทางจิตเนาะเขาก็เปรียบเสมือนเด็กทารกไงเด็กทารกที่ยังนอนเหงาอยู่เนี่ยนะ เ, เด็กทารกที่ยังนอนเหงานอนหงายอยู่เนี่ยเด็กทารกเนี่ยไอเด็กทารกที่ดูดนมแม่เนี่ยคําว่ารู้รู้เด็กเด็กที่รู้จากการดูดนมแม่เนี่ยในสัพบาลีท่านใช้คาว่าปรญานาดีความรู้อย่างเด็กนั่ น, น่ะ มีมีนะเอเวในศัพท์ของเวทนาท่านก็ใช้ว่าประชานาติเหมือนกันที่ประชานาติไอ้คํว่ารู้ชัดรู้ทั่วรู้ประการต่างๆเนี่ยย่อมรู้ก็ได้แล้วแต่จะไปใช้อะไรเพราะศัพท์นี้พระองค์ทรงใช้หลายที่นะแม้แต่การไอ้การรู้ที่อยู่เด็กดูดนมเนี่ยการรู้อย่างนั้นน่ะท่านก็ใช้ว่าประชานาติไอ้รู้แบบประชานาติที่เด็กรู้กับ ร, รู้แบบประชานาติที่ ผู้เจริญสติปัฏฐานรู้ต่างกันนะไม่เหมือนกันอู้ต้องแยกให้ออกเพราะเด็กเนี่ยเวลาดูดนมเนี่ยนะกินน้ํานมแม่มารดานเนี่ยนะเขากินไปเนี่ยเวลาเขาเกิดสุขเขเวทนาว่าน้ํานมมันหวานมันอะไรต่างนเนี่ยเนี่ยเขารู้ไหมว่าว่าสุขรู้นะรู้อย่างนั้นประชานาตหมือนกันแต่พระองค์ไม่หมายการรู้แบบนั้ น, ร น, นหรือบางทีเนี่ยตอนที่เขาจะให้เด็กเลิกนมเนะก็จะเอาอะไรไปทานเอาพวกบุญเพศอะไรไปทานใช่ไหมเด็กๆ ก็ก็ก็ชอบไปกินกินน้ำนมแม่ทั้งทั้งที่โตแล้วเนี่ยไปแย่งน้องไม่ขมแม่แม่แม่ก็แจ้งเอาอะไรไปทาทาแล้วไปดูดมุดขมมันไม่เอาดีกว่าเนี่ยมันก็รู้มันก็รู้ว่าไอ้ข่มมันทุกแต่การรู้อย่างนั้นอ่ะหรือบางทีเนี่ยมันกินจนมันอิ่มๆแล้วมันก็เฉยๆจะมามันมันแม่มันก็เฉยๆ ก็ไปรู้เหตเขาเวทนาเป็นอาทุกขมสุขเวทนาการรู้ในลักษณะนั้นพระองค์ไม่หมายถึงการรู้อย่างนั้นนะเพราะการรู้อย่างนั้นมันไม่ละอะไรได้เลยอะมันไม่ละศัตรูปรัละทีไม่รู้ศัตตสัญญาอะไรต่างได้เลยเพราะการรู้ในลักษณะนั้นไม่ได้มันก็มันก็รู้ในลักษณะเพื่อจะทําให้ตัญหามันน้นที่ถีเกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้รักลายถ่ายถอนอะไรเลยมันมันมันโศกมันก็รู้มันทุกขมันก็รู้ มันเฉยๆบางทีมันไม่หิวเท่าไหร่มันก็รู้นี่นะเนี่นยท่าทั้งบอกว่าดื่มน้ํานมเป็นต้นเนี่ยเมื่อสวยความสุขก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขก็จริงแต่ถึงกระนั้นคำนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสหมายความรู้เช่นนั้นเพราะอะไรเพราะความรู้เช่นนั้นย่อมไม่สามารถจะละศัตรูประละที่ความเห็นว่าเป็นสัตว์เขาไม่รู้เด็กเนี่ยเวลาดื่มน้ํานมเนี่ยเขา เขาเขาไม่สามารถละเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอะใช่ไหมเราเป็นผู้ได้รับสุขเราเป็นผู้ได้รับทุกข์สัตว์บุคคลเนี่ย น, นะแล้วก็ถอนอะไรไม่ไดถอนอัตตาสัญญาความสําคัญว่าสัตว์นี่ได้แล้วไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นสติปัฏฐานด้วยตรงนี้นะวันก่อนก็มีคนถามะ ถ, ถามท่านอาจารย์เขาบอกว่าอไคําว่าสัตว์บุคคลหญิงชายเนีย ออไอ้หญิงชายเนี่ยต้องไปละมันทําไมเพราะอิทธิภาวะและปุริสภาวะเป็นรูปนี่เออนักเรียนก็คิดแตลกเนาะเขโทรเขาเออเอ อ, เ อ, อฟังไปเออหน้าคิดเหมือนกันนะใช่ไหมใช่อิทธิภาวะปุริสภาวะเนี่ยทําไมต้องไปละก็รูปที่เป็นเหตุถึงความเป็นหญิงรูปที่เป็นเหตุถึงความเป็นชายมีอยู่จริงนี่แต่ความสำคัญว่าหญิงชายทําไมต้องละด้วยใช่ไหมใช่เอาไปยุตอก็บอกไง ถ้าเขาถามอะไรย่งเงี้ยมันเสียหายตรงไหนความหญิงและชายเนี่ยจะยอมสมัยตอบเขางถ้าเขาถามมึงตอบมึงถ้าก็ถามเอออาจารย์นี่ว่าไงสมองเขาถามเออจะตอบบ้างอย่าลืมว่าความเป็นหญิงชายเนี่ยเราจะเราจะตอบว่าไงดีที่จะไปละทํำไมให้เพิกออกมาทําไมก็อิทธิภาวะปุริสภาวะเพิกได้ที่ไหนแล้วอิทธิภาวะปุริสภาวะเนี่ยมันเกิดที่ไหนภาวะรูปเนี่ย อุปาถ้าขนาดของปฏิสันที่ของสัตว์ตั้งแต่นุ่นมาเลยแล้วอิทธิภาวะธธาพลวัตสภาว่านี่เกิด อ, อยู่นะใช่ไหมเก็ อ, อยู่นะในร่างกายทั่วไปด้วยนะใช่ไหมใช่อิทธิภาวะพลวัตสภาพาว่านี้เอาสิได้ความเป็นหญิงความเป็นชายเราไม่ต้องถ่ายถอนตรงนั้นด้วยไ อ, ถ, ถ, อคคยไถ่ายถอนสัตว์บุคคลก็เพราะว่าย้อนไปถ่ายตอนหนึ่งแม่ก็นักเรียนตามเขแล้วก็เขาไม่รู้จะตอบไงเขาบอกว่ อแปลกเรียนกันมาตั้งนานก็ไม่เคยมาคิดมุนมนี้ก็ว่างั้นเนะแล้วบอกมาถามอย่างเงี้ยหมดท่าเลยอาจจะตอบก็ว่าไงทีนี้ก็ณไม่ต้องมาล่ายาวเลยเนาะถ้าถามอย่างเงี้ยม่ไล่ายาวเลยนะเนี่ยไอคาที่ล่ายาวก็คือต้องพูดคำว่าสัตว์บุคคลก่อนเนาะสัตว์บุคคลมีจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงสัตว์บุคคลไม่ได้มีอยู่จริงนะใช่ไหมไอสัตว์บุคคลมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกอมันมาประห ย, ยัดเนาะคําว่าสัตว์คําว่าบุคคลนี่นะ แม่ก็พูดเรื่องนี้นะขอขอเริ่มเรื่องนี้วันก่อนเขาก็เขาก็เดือนกันมียอมนั่นเองเขาบอกคุยเรื่องประชาธิปไตยเขาคุย พ, พ, พระก่อนพราก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าไอ้ที่บอกประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็ื่ตอบพระพระก็บอกอ๋อประชาธิปไตยจริงๆเลยนะยอมเนี่ยมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก โหลดไหนในทีคณิกายในอักขันเยสูดเอาว่างไงคือเอาเริ่มแรกเลยนะโยมนะเริ่มแรกเลยเนะนี่ยเนี่ยจะเดี๋ยวเนีคุยเรื่องนี้ไปยาวเลยนะไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ลําบากตรงเนี้ยดูเวลาด้วยลก็กัวก็นี่ยบางทีกังวลไงนะนะเนี่ยเลยไม่ค่อยเป็นไปตามลํำดับเลยอย่างนี้เสียเริ่มจะเสียหายใหญ่แล้วเนะนี่ยออกก็อย่างนี้ก็ทีนี้ ตอ น, น, นมันุษย์จนกลับใช่ไหมในกลับนี้นะไม่ได้กลับอื่นนะโลกนี้มันก็เกิดขึ้นมานะต่อมาก็ฟุ้งด้วยหมอกควันเะไรต่งางๆนะต่อมากิ น, น, นิ่นมลินหอมดินมีโอชาตเต็มไปหมดเลยนะเนะพราะดินมันขึ้นมาใหม่แล้วก็มันมันเกิดใหม่เนะี้ยมันก็เต็มไปด้วยไอทันยาชาติตา่างๆนานาพันธนะ์เนาทีนี้พรหมพรหมนี่ก็เที่ยวเอาพัสตราพรหมนี่นะก็ลงมาเนะพอลงมาเสเสร็จก็ นาเข้าน้าเข้าก็เที่ยวไปเพลินไปเพลินมาไอ้ชาญก็เริ่มเสื่อมลงจากแสงสว่างในตัวก็เริ่มลดลงลดลงน้าเข้าก็เริ่มจมูกก็เริ่มได้กลิ่นเนะกลิ่นง้วนดินก็น้ามาก็เริ่มกลิ่นง้วนดินน้าเท่านะเข้าอเอาอวัยวะต่างๆที่ไม่เคยเกิดก็เกิดเกิดเกิดขึ้นเนาะนาเข้าก็มาเกิดกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยผลประกอมาโอ้เป็นชุมชนเล็กก็เป็นชุมชนใหญ่เนาะเริ่มเป็นชุมชนเมืองกันมาแล้วเนี้ยเริ่มเดือดร้อนแล้วคนเยอะขึ้นเนี่ย เอาตอมนนาข้าวนาข้าก็ทําสิ่งที่มีบางควนอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะนาข้ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็มาชุมนุมพร้อมกันเมื่อเดืพอพร้อมไปเสร็จก็เออเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นในชุมเมืองเราแล้วเอทอทํายังไงเนี่ยเรามาอยู่กันแบบเปร์สเปร์สปาแบบไม่มีเจ้าไม่มีการดูแลซึ่งกันและการไม่มีการปกครองอะไรเลยเนี่ยเอางี้ดีกว่าเพราะงั้นเออเอาใครเป็นใหญ่มีความสามารถมีฉลาดพมีทักษะอะไรต่างๆมาช่วยกันเลือกที่ ก็โอยพิจารณากันใหญ่ตั้งเป็นคณะพิจารณากันเลือกไม่ได้หนึ่งคนเขาเรียกพระเจ้ามหาส ม, มุทรไงคือทุกคนทั้งหมดเน่ะเลือกขึ้นมาคนคนหนึ่งให้มาอยู่เป็นใหญ่แล้วก็ตั้งคณะบริหารขึ้นมาเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกใบเนี้ยตั้งแต่นั้นมาก็มาเป็นราชุงราชาแลวไม่ใช่แล้วไอ้ครั้งแรกตรงนี้ถ้าใครต้องการอยากจะศึกษาประชาธิปไตยจริงต้องไปศึกษาสูตรเนี้ยเนะอันนี้ประชาธิปไตยก็เลยบอกว่า ทีนี้แต่ก่อนคนมันมีชื่อทีนะ่ไหนอะเขาจึงเรียกพรพเจ้าหมหาส ม, มุทรไงเขาใหญ่ยังหรือพระมนูเป็นต้นตำหลักของตระกูลพวกเราในโลกใบนี้เลยอะในโลกใบนี้เลยนะเป็นต้นตำหลักมันไม่มีชื่อกันหรอกไม่ต้องอะไรในประเทศไทยเนี่ยแต่ก่อนมีแต่ชื่อใช่ไหมมันไม่มีนามตระกุลมีที่ไหนนามตกุลเนนะ่ยพอพระตั้งมาตั้งไปแล้วมันงงเลยชื่อมันถดนสตารกันเนะ่ะ เชื่อไปทับกันให้ออกน้ำสกุลหน่อยใช่ไหมเนี่ย <Okay. S 1> เอาไปทับกันถ้าแถวต่างประเทศวันก่อนก็ถามพระที่อยู่ด้วยกันกระดมาอยถามหน่อยที่ประเทศท่านเนี่ยดี่จำภาษาอาตม า, ศาประเทศของท่านเนี่ยไม่มีน้ำสกุลโอ้ไม่มีเอาแล้วทาไงเอาพ่อเช่นนายดำพ่อเชื่ออะไรเนี่ยเอาชื่อพ่อเออก็ถือว่าใช้ได้เอาชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยนะเอาชื่อพ่อแต่ของเราเนี่ยมารยาฐานเลยไม่ได้เรื่องนะ้ ที่แรกก็สมมติชื่อนะไอภาวะความเป็นหญิงภาวะขความเป็นชายเนี่ยจริงอยู่มันเป็นอิทธิภาวะปุริสภาวะเขาดูกุตะดูนิมิตตะดูลิงคะดูอากรปักเห็นไหมดูลักษณะดูอาการดูการแสดงออ ก, กว่าหญิงวิชายไงเนี่ยนะมันต่างกันอันนั้นจริงอยู่เป็นรูปเขาเรียกว่าอุปาทายรูปอิทีภาวะและปุริสภาวะเนี่ยรูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงนะ แต่คําว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันคนละเรื่องไอ้คํานั้นนะมันต้องแยกเข้าใจใช่ไหมไอ้คาว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยต้องแยกมันไม่ใช่อิทธิภาวะและปุริสภ า, าวะอิทธิภาวะไอ้รูปที่เป็นเหตุแห็นความไม่หญิงมันคนละเรื่องเลยอันนั้นเป็นปรมาจารแต่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่อาศัยหมาพูดแต่ไอ้ความเป็นหญิงเนี่ยมันมาสมมุติอีกทีหนึ่งไอ้ความเป็นชายเนี่ยมันมาสมมติเข้าใจใช่ไหม มาเป็นสมมติเหมือนคำว่าสับและบุคคลเนี่ยทีนี้พอไปพอไปสมมุติว่าหญิงว่าชายขึ้นมาเนี่ยมันเกิดภาวะเลยเกิดภาวะอะไรเกิดภาวะในการเป็นปัจจัยอย่าลืมนะว่าอิทธิภาวะปุริสภ า, าวะอันนั้นเป็นสภาวะของลูกแต่เพราะว่าหญิงหรือชายหรือสมมุติเึิดขึ้นมาเนี่ยก็ก็มาสมมุติตั้งชื่อแล้วแล้วก็มาตั้งนามสกุลเนี่ย ทีนี้พอตั้งชื่อตั้งนามสกุลตั้งโคดรอะไรกันต่างๆขึ้นมานี่นะพอตั้งขึ้นมาเบียดเสดแล้วผลปรากฏแล้วไอ้อัตตาเนี่ยไอ้ความยึดมั่นหรือมั่นเนี่ยมันไปยึดหมดเลยพอไปยึดขึ้นมาเนี่ยนาเข้านะเข้าเนี่ยมันไปยึดทุกส่วนว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนคนนั้นเลยเป็นหญิงเป็นชายกันจริงๆเลยทีนี้ไปยึดหมดเลยนะปัญหาทัานก็เลยให้มารอกเอ า, ลาไล่ไปผมขนเล็บฟันหาหาหญิงหาชายดูยที หาดูที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนื้อลายไปนะเวทนาขันใช่ไหมสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันไล่ไปพอลอกลอกมาเหมือนลอกกลับกล้วยเนาะกลับกล้วยลอลอกไปลอกไปดูที่มันมีความปหญิงเป็นชายในนั่นไหมเอาไม่มีเปล่านี่ถ้าใครมีอัตตาหรือมีสัตรูปรัตธิหรือว่าความเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลมากๆหรือสัตะสัตะนี่นะความเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลมากๆเนี่ยเขายินลอกเยอะ พอลอกออกมาเยอะๆเราจะเริ่มเข้าใจว่าอุ๊ยจริงๆมาบัญญัติกันจริงๆเนี่ยพอบัญญัติแล้วมันถือจริงถือจังเลยนะคนเราเนี่ยเหมือนโคดเหมือนตระกูลเนี่ยใช่ไหมพอมาไปหยักตูขึ้นมาโอ้โหเราเราย็ดกันมากเลยแต่เนี้ยพอย็อดกันมากเนี่ยลองคิดดูดิ ว, ว่าสังสารวัฏมันเปลี่ยนตลอดเห็นไหมบางคราวเป็นมนุษย์บางคราวเป็นอสุรากายบางคราวเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นลม สรุปแล้วมันเป็นมาหมดแล้วเนี่ยนะว่าเนี่ยมันหมุนมาอยู่มยอยงเแี้ยพอไปเป็นอะไรก็ไปยึดไปยึดไปยึดเหล่งต่างๆไว้เนี่ยฉะนั้นเวลาการที่เราจะสามารถเข้าใจปัญญาหรือความเป็นหญิงความเป็นชายตรงนี้ได้มันจะจะจ ะ, จะลอกได้หรือมันจะพิจารณาได้ด้วยการลอกด้วยการไข้ครวญเพราะลอกเพอใะไข้ครวญบ่อยๆตรงนี้มันเพิกได้แต่การเพิกได้อย่างเราๆเนี่ยมันเพิกได้ชั่วช่วครั้งช่วคราวนี่ยังไง พอหยุดพิจารณาแปลว่าอะไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็มันก็กลับมาเหมือนเดิมเข้าใจใช่ไหมพอพิจารณาสัากระยะหนึ่งเอมันเห็นนะพรพูดอย่างนี้นะพอลอกไปไม่มีอ่ะพอสักพักหนึ่งเราปล่อยเพลินๆเอาไม่แล้วไอ้ความเป็นสัตว์บุคคลความเป็นหญิงเป็นชายมันกลับมาอีกแล้วงั้นตรงนี้เนะี่ยท่านจิงสอนให้เพิกถอนไงเพิกถอนสัญญาความสําการว่าสัตว์ ถ้าหากไปเห็นด้วความเป็นว่าเราเป็นผู้เสวยสุขเราเป็นผู้เสวยทุกเราเป็นผู้เสวยอุเบขาเวทน า, านี้ถ้าไปสำคัญอย่างนี้นะอันนี้ก็แล้กถอนไม่ได้ตรงนี้ท่านถึงบอกว่าส่วนพิกษุส่วนความรู้ของพิสูุนี่คือประชานาติของพิสษุนนี่นะระสัตรูประที่ความเห็นว่าเป็นสัตว์ถอนสัตตสัญญา ได้เป็นทั้งกรรมฐานทั้งสติปฐานภาวนาก็ความรู้นี้พุทธเจ้าตรัสหมายเอาเนะฉะนั้นการเสวยโดยการรู้ทั่วไปอย่างนี้ไครนี่ก็ตั้งหลักแล้วไครเสวยใครเสว ย, ค, สวยคือถามอ่ะเวลาเวทนาเวลาสุกเวทนาเกิดขึ้นทุกเวทนาเกิดขึ้นหรือว่าอาทุกข์มสุกเวทนาเกิดขึ้นอเนี่ยหนึ่งใครเสวยให้เราจะตอบไงเนี่ยถ้าถามว่าใครเสวยใครเสวยไม่ใช่สัตว์บุคคลเนาะ ทีนี้แล้วก็ว่าการเสวยของใครเพราะเหตุไรจึงเสวยแต่เนี่ยเขาถามว่าโกเวทยติใครเสวยใครเสวยสุขเวทนาใครเสวยทุกขเวทนาใครเสวยอะทุกมาสุขเวทนาท่านก็ตอบว่าความว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรอะไรเสวยเลยไม่มีใครเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกมาสุขเวทนาเลยเนี่ยนะ กสาะาเวทนาการเสวยเป็นของใครไม่ใช่การเสวยสุขทุกขเวขาของใครไม่ใช่เป็นการเสวยของสัตว์และบุคคลเพราะบุคคลไปเสวยไม่ได้แต่ใช่ไหมอันนี้เป็นคําบอกว่าเป็นธรรมะล้วนๆเท่านั้นที่เขาเสวยอยู่อ่ะเป็นสภาวะของเวทนาเจตสิกเท่านั้นที่ทํากิจในการเสวยอารมณ์สุขทุกขและและอุเวขาอยู่ไม่มีสัตว์บุคคลนะ จึงกระนาเวทนาเพราะเหลายจึงสวยกับเพราะมีวัตถุเป็นอารมณ์จึงเกิดมีเพราะมีวัตถุเป็นอารมณ์จึงมีการสวยเนาะเพราะเหตุนั้นเขารู้ชัดอยู่อย่างนี้ว่าเวทนานั่นเองสวยนะไอตรงนี้ต้องขีดไว้เวทนานั่นแหละเป็นผู้สวยสุขเวทนาะเวทนานั่นแหละเป็นผู้สวยทุกขเวทนา เวทนานั่นแหละเป็นผู้เสวยอทุกขมสุขเวทนาถ้าเสวยสุขเวทนามีอามิตรกไอีตัวเวทนานั่นแหละไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลถ้าเสวยสุขเวทนาไม่อีงามิตรก็อีเวทนานี่แหละไม่ใช่สัตว์บุคคลไปเนสวยนะถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่อีงามิตหรือไม่อีงามิตรก็อีตัวเวทนานี่แหละเพราะทําวัตถุแห่งความสุขเป็นต้นนั้นๆนี่เป็นอารมณ์ แต่พอถือเอาโดยความเป็นไปแห่งเวทนานั้นจะเป็นเพียงโวหารเท่านั้นว่าอาหารเวทยาณิเราเสวยนะนนี้เป็นโวหารเองนะจำเนี่ยเป็นแต่เพียงโวหารเป็นแต่การสมมุติสมมุติเพื่อให้เข้าใจว่าเออเราเสวยเวทนานะเรากําลังเสวยสุขเวทนาเรากําลังเสวยทุกขเวทนาเรากําลังเสวยอ่ะทุกขสุขเวทนาเนี่ยอันนี้เป็นสมมติไหมเป็นสมมุติทีนี้ท่านก็บอกว่า พยาคาวาจร น, นั้นเมื่อกําหนดรู้ว่าเวทนานั้นเองเป็นผู้สวยเนาะโดยทําวัตถุให้เป็นอารมอย่างนี้ว่าพึงทราบว่าเธอย่ำรู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาเหมือนพระเทรวรูปหนึ่งที่จิตแต่ละดาวบันพศท่านก็ยกตัวอย่างมึงนี้ยกตัวอย่างมายัางไงได้ยินมาว่าก็บางั้นนะ่พระเถรวานี่เป็นพระในคราวที่ท่านไม่สบายท่านอาพาท่านป่วยหนักเนะี่ยท่านก็ร้องควันค้างอยู่ เวทนากล้าเกิดขึ้นทุรนทุลายท่านกับพลิกกลับไปพลิกกลับมาพลิกกลับไปพลิกกลับมาหมุนตัวไปหมุนตัวมาอยู่แน่นนะพิกสู่หนุ่มหนุมรูปหนึ่งก็ถามท่านว่าท่านกราบเนี่ยตรงไหนเจ็บตรงไหนเนี่ยนะพระเถเรซาก็ตอบบอกที่เจ็บไม่ได้ด๋อฉันสวยเวทนาโดยทําวัตถุเป็นอารมณ์ก็หมายความว่าเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยมันมีวัตถุเอามีวัตถุคืออะไร วัตถุของเวทนาเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเนาะเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยอ่ะมีผัสสะเนาะบางแห่งก็บอกผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเยวทนาก็ได้เห็นไหมผัสสะจักขู่สมัมปัสสะเป็นที่ตั้งของเวทนาได้ไหมกระทบ่างตาเนะาะเอเวลาเห็นอารมณ์ปุ๊บชอบใจเวทนาอะไรเกิดเศขเวทนาเกิดถ้าไม่ชอบใจเวทนาอะไรเกิดเฉยเฉยเวทนาอะไรเกิด อารมี์เ็นเราซ้ำซากวันนี้เราอิแลฟทิก ว, วันนี้ก็น้ำพริกอย่งงเราจเจอทางทวา